อยู่ใกล้ใครมันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงกล่ว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นแต่เราครบคนดีเราก็ดีขึ้นแต่คบคนชั่วเราก็ตกต่า